หน่วยราชการด้านวัตถุและเครื่องอุปโภคบริโภคหลวงตาให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือหน่วยราชการหลายหน่วยในด้านต่างๆกันเพราะท่านเห็นว่า เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการให้ความสะดวกให้บริการช่วยเหลือแนะนําในการประกอบอาชีพสารทุกสุขดิบบาบัดทุกข์บํารุงสุขรวมทั้งสวัสดิการต่างๆแก่ประชาชนเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเมื่อหน่วยราชการต่างๆมาขอความช่วยเหลือหากเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นเร่งด่วน และสมเหตุผลท่านก็เมตตาอนุเคราะห์ให้ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินเครื่องอุปโภคบริโภครถยนต์กลไกลเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำงานสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในหน่วยราชการหน่วยราชการที่ท่านเคยให้ความช่วยเหลือโดยมากอยู่ในจังหวัดอุดรธานี ได้แก่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน24ค่ายเสนีรนยุตตำรวจทางหลวงสถานีตำรวจภูทร อ, อำเภอเมืองสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทตำรวจสันติบาลสถานีรถไฟเรือนจำกลางเป็นต้น ที่อื่นๆได้แก่ทันทสถานหญิงกรมราชธรร์สถานีตำรวจภูทรกิ่งอำเภอภู ผ, ผานด้านธรรมะสำหรับชีวิตและการงานท่านเมตตาให้ธรรมะเป็นข้อคิดเตือนใจแก่คณะผู้ใหญ่ผู้น้อยของหน่วยงานต่างๆที่มากราบเยี่ยมท่านเสมอๆให้รู้จัก นำศีลนำธรรมมาเป็นหลักยึดเหนี่ยวในจิตใจไม่ให้เผลอเผลนลืมเนื้อลืมตัวอย่าบ้าลาบยศสรรเสริญคราวหนึ่งท่านแสดงธรรมยางเป็นกันเองแบบลูกหลานโปรดคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมกับนักธุรกิจจำนวนเกือบห้าสิบคนดังนี้นี่มาจากทางไหนกันบ้างนี่มาจากมาดูงานทางภาคอีสานก็เลยมากราบครับหรอมาดูงานเหรอเคยมาวัดป่าบ้านตาแล้วยังละ่ะเหล่านี้เคยมาแล้วยังครั้งแรกไม่เคยมาเลยครับ ไม่เคยมาแต่โรงลิเกละครระบำรำโปพวกบา้าๆนั่นไปทั้งนั้นใช่ไหมหอถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเลวที่สุดนะมองไม่ทันถ้าเป็นหมาจับหางดึงไว้หางขาดยังบืนคลืบคลานไปได้นะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเป็นเรื่องสีนู่เรื่องธทรรมนี่ก็เอาใสเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่ยอมไปนะ เวลานี้โลกกำลังสกปรกมากสกปรกจริงๆสายตาของธรรมจนดูไม่ได้นะเวลานี้แต่กิเลสมันแหม่มันเพลินมันไม่รู้จักเป็นจักตายนะเรื่องมั่วสุมกับกิเลสความโกรธราคะตัณหานี้ตัวสำคัญสกปรกรุงรังก่อฟืนก่อไฟเผาไหม้โลกคือตัวเหล่านี้เอง แต่โลกชอบกันมากที่สุดที่จะแยกออกนี้ไปเพื่อศีลเพื่อธรรมมันไม่อยากแยกนะมัน ด, ดีมันดิ้นอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้ากี่พระองค์มาตรัสรู้ลากไปเท่าไหร่มันไม่ยอมไปมันสู้ซ่วมสู้ฐานไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นนะสวรรค์ น, นิพพานไม่ได้เลิศเลยยิ่งกว่าส่วมกว่าฐานเวลานี้กิเลสมันดึงลงไปขนาดนั้นนะ ให้เพลินในซ่วมในฐานไปมันไม่ค่อยเห็นเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องคุณงามความดีที่เลิศเล อ, อยิ่งกว่านี้ขนาดไหนมันไม่ยอมให้เห็นนะกิเลสเราไม่ได้ตำหนิใครนะกิเลสมันอยู่ในหัวใจคนเราก็ตำหนิเข้าไปมันก็ต้องโดนคนจนได้นั่นแหละจะว่าไงพระพุทธเจ้าเวลาตรัสรู้แล้ว ทั้งๆที่ทรงปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านานขนาดไหนเพราะเกิดยากแสนยากที่สุดเนี่ยท่านมาสั่งสอนสัตว์โลกเมื่อเวลาได้บรรลุธรรมถึงขั้นพระอรหัตภูมิเต็มเต็มตัวแล้วเป็นศาสดาเต็มองแล้วแล้วมองสัตว์โลกทั้งๆ ท, ที่ปรารถนาเพื่อสั่งสอนสัตว์โลกตรัสรู้เพื่อสั่งสอนสัตว์โลก ขอตรัสรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วมองดูสัตว์โลกแล้วมืดแปดทิศแปดด้านทรงท้อพระไถยจะสั่งสอนไปได้อย่างไงเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเห็นไหมขนาดนั้นแหละท่านดูพวกเราเรายังมัวเมาเกาหมัด ก, กันอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมหูลืมตารื่นเริงบันเทิงกับมูดกับคูดตลอดเวลา มันน่าสลดสังเวชใหม่เวลานี้ยังโออาผู้ฝ้าอยู่นะเป็นบ้ากับยศกับลาบกับสารเสริญเยินยอให้เขานับหน้าถือตาอวดมั่งอวดมีอวดดีอวดเด่นอวดไปอย่างไม่มีลมลมแรงแรงหาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้คือกิเลสรอคนให้เป็นบ้ากับอันนี้ มันไม่มองดูธรรมนะธรรมเป็นของจริงเลิศเลอขนาดนี้กี่เท่าพันทวีสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอย่างที่เราดูฝูงหนอนมันอยู่ในซ้วมนั่นแหละเพียงเราดูลงไปเท่านั้นมันเป็นยังไงวิสัยหนอนกับเราทีนี้วิสัยแห่งธรรมกับวิสัยของกิเลสที่สกปรกสุดยอด วิสัยแห่งธรรมที่สะอาดสุดยอดดูกันเป็นยังไงก็เหมือนกันอย่างงั้นชัดเจนนั่นละ่ะนี่โลกมันถึงไม่อยากมองดูนั้นมันมัวดูแต่ซ่วมแต่ฐานตลอดเวลาไม่ว่าเขาว่าเรานะอย่าไปตำหนิใครนะหมายถึงหัวใจแต่ละดวงแต่ละดวงมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้อยู่ตลอดเวลา ท่ากริยาท่าทางแสดงออกมาประดับร้านว่าสวยว่างามว่าโอ้อาฟู่ฟ้ามีบ้านมีเรือนมีสมบัติเงินทองข้าวของมากน้อยมีบริษัทบริวารมากนี้เอามาโอ้อาฟู่ฟ้าประดับร้านแต่ภายในหัวใจเป็นไฟด้วยกันหมดฟังสินะเอาทำจับเข้าไปมันก็เห็นนะสิ ดูหัวใจดวงใดมันมีแต่ฟืนแต่ไฟด้วยความโลภความโกรธราคะตัณหาความตรณีทีเหนียวความเห็นแก่ตัวความรีดความไถ่ความเอารัดเอาเปรียบมันเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตลอดเวลา เสียสละการเสียสละนี้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณแก่ตนเองให้ไปโน้นย้อนกลับมาหาเจ้าของเหมือนเราเปิดประตูอากาศเข้ากับอากาศออกประสานกันทันทีการให้ไปกับการได้มาประสานกันทันทีนี่แหละการเสียสละเปิดออกเปิดประตูเสียสละ เปิดออกกว้างก็ออกได้กว้างเข้าก็เข้าได้มากเวลาเราเปิดเปิดแคบออกก็ออกได้น้อยเข้าก็เข้าได้น้อยสมมติว่าอากาศก็ดีน้ำก็ดีเห็นแต่หมาเดินด็อกด็อกเด็กๆในงานศพมันมาหากินเศษอาหารไม่ได้กินข้าวหมาจวนจะตายเพราะความธรณีของคน มันตรณีที่เหนียวตายแล้วไม่มีใครไปเผาศพหมาจะมากินเศษอาหารก็ไม่ได้กินทุกทั้งหมาทุกทั้งคนขนใจกว้างขวางไปไหนเพื่อนฝูงก็มากเวลาตายนี่ขนเต็มไปหมดในงานศพ บ, บอกอย่างชัดเจนว่าคนนี้มีอัธยาศัยกว้างขวาง ใครก็มาด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยความเคารพนับถือด้วยความรักความสนิทสนมกันความเสียดายไม่เหมือนคนตรนีที่เหนียวตายนะคนไม่มีในงานศพหมาเลยหิวอย่าทำนะแบบหมาหิวเข้าใจไหม กินบ้านกินเมืองท่านมีความเมตตาสงสารและห่วงใยชาติบ้านเมืองเป็นพื้นในจิตใจตลอดมาดังนั้นเมื่อมีโอกาสสั่งสอนตักเตื่อนกลุ่มข้าราชการงานเมือง ท่านก็มักจะแสดงธรรมอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นเดียวกับคราวนี้นี่แหละวัดหนึ่งหนึ่งครอบครัวหนึ่งหนึ่งขึ้นอยู่กับหัวหน้าครอบครัวผู้ใหญ่บ้านกำนันนายอำเภอผู้ว่าขึ้นไปเป็นลำดับลำดา ให้มีศีลธรรมเป็นเครื่องกำกับตัวเองอยู่เสมออย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวเวลานี้เราปล่อยให้กิเลสเข้าไปตีตลาดตามโรงงานต่างๆนี้มีแต่กิเลสตีตลาดทั้งนั้นแหลกเหลวไปหมดศีลธรรมเข้าใกล้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นบ้านเมืองถึงเหลวแหลกเหลวแหลกดังที่เห็นอยู่นี้แหละ ไม่ใช่เหลวแหลกแบบไม่มีคนคนตายฉิบหายมันเหลวแหลกด้วยความประคตเหลวแหลกด้วยความเป็นอยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละหาความไว้วางใจกันไม่ได้เพราะไม่มีศีลธรรมเป็นที่ไว้วางใจไปที่ไหนก็เหมือนกับลิงคอยกินกินคอยคดคดคอยโกงโกงคอยจะได้โอกาสอันไหนนี้ รีดไถ ท, ทุกแบบทุกฉบับสุดท้ายข้าราชการเลยเป็นผีตัวหนึ่งเป็นยักษ์ตัวหนึ่งแก่ชาติบ้านเมืองเขาก็เอื้อมระอาสิเงินทุกบาททุกสตางค์ได้มาจากประชาชนราษฎรทั้งนั้นเป็นภาษีอากรเข้ามาเพื่ออุดหนุนประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความแน่นหนามั่นคงกลับเป็นเปรตเป็นผี ให้เปรดให้ผีไปกินเสียหมดมันก็ใช้ไม่ได้วงราชการแต่ละวงเลยกลายเป็นวงสังหารประชาชนวงสังหารประเทศชาติบ้านเมืองอย่างนี้ดูไม่ได้ใช้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธ ป, ปฏิบัติตามศีลธรรมนี้ขอให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เข้าไปโดยลำดับเพื่อความสงบเย็นและมั่นคงของบ้านเมืองเราการกล่าวทั้งนี้ไม่ได้หมายความถึงว่าวงราชการจะเลอะเลอะเถอะไปหมดทุกรายนะเราพูดถึงรายที่ไม่ดีต่างหากซึ่งมีจำนวนมากต่อมากอันนี้มีมากจริงๆอยู่ที่ไหนที่ไหนไม่ขนานาได้เต็มไปหมด ในวงราชกา ร, รแผนกต่างๆยังเย่อหยิ่งจองหองเสียด้วยนะวงราชการไม่ละลึกเลยว่าตัวกินเงินเดือนของประชาชนราษฎรเย่อหยิ่งจองหองจนน่าเกลียดเป็นเจ้าอำนาจกดขี่บังคับประชาชนหลายแบบหลายฉบับนะคนนี้แบบนี้คนนั้นแบบนั้นแบบนั้น ถ้าไม่ได้ใต้โต๊ะเหนือโต๊ะเสียก่อนเป็นขัดเป็นแยง้งเป็นหาอุบายเท่านั้นเท่านี้อยู่จนได้หนีสิที่มันน่าเกลียดเอาเหลือเกินนะเอือมระอาเอามากประชาชนราษฎรไปแต่ละครั้งละครั้งเสียเวล่มเวลามาบ้านมาเรือนค่ารถค่าราอาหารการกินหน้าที่การงาน ต้องเสียไปสักเท่าไรไม่ได้คํานึงคอยแต่จะเอาใต้โต๊ะเหนือโต๊ะถ้าไม่ได้จะต้องหาอุบายนั้นหาอุบายนี้เวลานี้วงราชการเป็นอย่างนี้นะเสียเอามากมายขอให้พี่น้องทั้งหลายจําเอาไว้ทุกคนนี่คือความจริงเราไม่ได้หาเรื่องใส่คนเราสอนคน เพื่อความสงบร่มเย็นทั่วหน้ากันมันเป็นอย่างนี้เวลานี้เขาเบื่อจริงๆเบื่อวงราชการเวลานี้ไม่ใช่ธรรมดานนะแต่ประชาชนถึงเขามีปากเขาก็ไม่พูดง่ายๆถ้าพูดก็เป็นภัยต่อปากเจ้าของอีกแหละเพราะพวกนี้พวกย้าวํานาจอํานาจอันนี้มันอํานาจประป า, ปาถึงเถื่อนเสียด้วยนะ ไม่ใช่อำนาจธรรมดาไม่อย่างนั้นมันทําชั่วไม่ได้ถ้าไม่ใช้อำนาจแบบนี้ชีวิตมันเกี่ยวโยงกันไปหมดไม่ว่าภาคไหนๆชีวิตอยู่กับจุดศูนย์กลางคือชาติต่างคนต่างระลึกถึงชาติเสมออย่าระลึกถึงตนยิ่งกว่าชาติถ้าลงชาติได้ร่วมจมไปแล้ว ใครจะไปนั่งบนเก้าอี้เหนือเทวดาอยู่ได้คนเดียวไม่เคยมีต้องเป็นกองทุกเหมือนกันหมดให้เราเห็นใจประชาชนราษฎรนี่ความห่างเหินจากศีลจากธรรมเป็นอย่างนี้ให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้ศีลธรรมคือเครื่องยึดเหนียวของใจและความประพฤติหน้าที่การงานทั้งปวง ให้เป็นไปเพื่อความดีงามถ้าประสจากศีลธรรมเสียอะไรๆก็เหลวไปตามๆกันฉะนั้นศีลธรรมจึงเป็นธรรมจำเป็นมาก อย่าเห็นแก่ตัวจงเห็นแก่ชาติครั้งหนึ่งท่านแสดงธรรมแก่หน่วยงานราชการกลุ่มใหญ่ดังนี้การปกครองกันให้คำนึงถึงหลักและกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับ นำมาปกครองกันอย่าเอาอารมณ์มาปกครองกันอย่าเอาอำนาจวาสนาสักดานุภาพว่าเราเป็นผู้ใหญ่มีอำนาจมากอยากทำอะไรก็ทำได้มาปกครองกันโดยหาหลักเกณฑ์หาระเบียบกดข้อบังคับไม่ได้นั้นเป็นความผิดต่างคนต่างก็ให้อภัยซึ่งกันและกัน ต่างคนต่างปกครองในฐานะพ่อแม่กับลูกจะมีความร่มเย็นเป็นสุขสมบัติของกลางเราอย่านำออกไปใช้ในกิจส่วนตัวและนำออกจำหน่ายขายกินนั่นเป็นการขายชาติเป็นการฆ่าชาติเป็นการทำลายชาติเพราะความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวนั้นไปไม่รอด ถ้าชาติไปไม่ตลอดเราต้องจมไปด้วยชาติเราจะเห็นแก่ตัวว่าเอาตัวรอดเป็นยอดดีการคิดเอาตัวรอดแบบนั้นแหลเป็นยอดที่เลวที่สุดเพราะคนคนหนึ่งอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอยู่ด้วยกันหลายคนเช่นประเทศไทยเรานี้ทั้งประเทศมีความเกี่ยวโยงกันอยู่เหมือนกับตาแหตาขาย ตาหนึ่งขาดก็เกี่ยวเนื่องไปถึงตาแหตาขายทั้งหลายปลาก็ลอดออกไปที่นั่นได้ถ้าชาติได้ล่มจมไปเสียเราจะเอาตัวรอดด้วยวิธีใดนอกจากเราต้องจมไปกับชาติเท่านั้นชาติจมเราต้องจมชาติอยู่ได้เราก็อยู่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้น เราต้องรักษาเพื่อความอยู่รอดของคนทั้งชาติไม่ใช่รักษาเพื่อความอยู่รอดเฉพาะเรานั้นเป็นความคิดผิดของบุคคลผู้เห็นแก่ตัวมากคิดเพื่อความร่ำรวยแต่หารู้ไม่ว่าความคิดนั้นคือเพชฌฆาตสังหารตนและชาติให้ล่มจมท่านจึงสอนว่าสามี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นความเกี่ยวโยงกันไปหมดคนในชาติรักคนในชาติไม่มีใครที่จะรักยิ่งกว่าคนไทยรักคนไทยไม่มีใครที่จะรับผิดชอบยิ่งกว่าคนในชาติจะรับผิดชอบคนในชาติของตนและไม่มีใครจะรับผิดชอบยิ่งกว่าเราจะรับผิดชอบในขอบเขตของเรา ที่ใช้ดับไฟสัตว์โลกนี่มีผิดมีพลาดด้วยกันทั้งนั้นแต่เมื่อให้อภัยกันแล้วอยู่ด้วยกันได้ถ้าต่างคนต่างเบ่งแล้วนั่นละ่ะถ้าเป็นหมากัดกันได้เร็วนะแม้จิตใจจะลุกเป็นไฟมาก็าตามเมื่อน้ำดับไฟ คือการขอโทษซึ่งกันและกันแล้วก็ให้อภัยกันได้อย่างง่ายดายมนุษย์เรานี่หลักใหญ่ของมนุษย์เราที่มีธรรมอยู่ด้วยกันเห็นใจเขาเห็นใจเราให้อภัยกันได้เป็นธรรมอย่างนั้นนะไม่ถือสีถือสากันง่ายๆผิดยอมรับว่าผิดแล้วแก้ไขดัดแปลงให้ขอโทษกัน คำขอโทษเป็นของสำคัญมากนะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยจะเป็นไฟเผาคนอยู่ในคนนั้นก็ตามพอคนนี้ไปขอโทษยกมือไหว้เท่านั้นแหละน้ำดับไฟนี่พึบลงทันทีเลยสงบของเล่นเมื่อไหร่นี่แหละทาความโกรธเป็นไฟความขอโทษกันนั่นแหละเป็นคุณเป็นน้ำดับไฟดูเอาสิ หัวใจใครก็เหมือนกันอย่างเช่นโจนรผู้ร้ายนี้มันก็ใจโหดมหาโหดเวลาเจ้าของยกมือไหว้นี้มันเอาปืนจอ่อกำลังจะยิงปืนมันยังลดลงทันทีเห็นไหมใจมันโหดขนาดนั้นมันยังรับน้ำอยู่นะไฟยังรับน้ำอยู่นี่แหละน้ำดับไฟคือธรรมอย่างอื่นดับไม่ได้นะ ผัวเดียวเมียเดียวท่านเตือนลูกหลานเสมอๆให้รู้จักควบคุมไฟราคะตัณหาให้มีขอบเขตอยู่ภายในเตาด้วยศีลด้วยธรรมดังนี้เราต้องอบรม ทางด้านจิตใจให้มากมันสําคัญไม่มีใครมองนะมองแต่อย่างนั้นอย่างที่โลกทั้งหลายแหละมองกันมันไม่ได้มองดูจุดที่ถูกต้องดีงามอะไรมองแต่จุดจะผูกพันเจ้าของให้จมนสิทําไมมนุษย์อยากไปสวรรค์ทั้งเป็นเนี่ยเวลาตายแล้วมันไม่อยากไปมันก็ไม่คิดนะ มันอยากไปแต่สวรรค์ทั้งเป็นเวลาตกนรกทั้งเป็นมันไม่ยอมตกมีเมียคนหนึ่งแล้วมันไม่พออยากได้อีกสองคนเพื่อไปสวรรค์มีผัวคนหนึ่งแล้วอยากได้อีกสองคนสามคนเพื่อไปสวรรค์ผัวคนนี้พาไปสวรรค์ไม่ได้เบื่อแล้วผัวคนนี้ เมียคนนี้เบื่อแล้วเอาเมียคนใหม่พาไปสวรรค์เอาผัวคนใหม่พาไปสวรรค์มันเอาสวรรค์ทั้งเป็นไฟนรกเผาหัวมันทั้งเป็นมันไม่ได้คิดนะเอาอย่างนั้นสิเรามีเมียคนหนึ่งแล้วนี่แล้วครอบครัวเป็นยังไงมีผัวเข้ามาอีกคนหนึ่งแฝงผู้ชายเข้ามาอีกคนหนึ่งเป็นยังไงนั่นละ่ะ ไฟกองใหญ่อยู่ตรงนั้นนะมันไม่ดูทำท่านดูหมดท่านจึงมีแค่มวดกวดขันให้อยู่ในขอบเขตมันพอเหมาะพอดีแล้วกับเมียคนนี้กับผัวคนนี้พอเหมาะพอดีแล้วอย่าให้เลยนี้ไปนะนั่นกาเมสุมิจจาจา ร, ราคะตัญหาอย่าให้กำเริบเสบสาร บังคับมันไว้ให้อยู่ในเตาอย่าปล่อยตามมันปล่อยตามมันแล้วเผาเราทันทีเสริมมันเท่าไหร่มันยิ่งไปใหญ่เลยนี่อย่าเสริมมันเลยบังคับมันไว้ว่างั้นเลยเขามีผัวมีเมียเขาก็จะตายเหมือนเราละ่ะเขาทนไม่ได้เขามีผัวมีเมียเขาก็จะตายเขามียี่สิบเมียสามสิบเมีย เขาก็ตายเหมือนกันนะเราไม่เห็นมีใครไปสวรรค์มีแต่นรกทั้งเป็นเผาหัวมันเราอย่าไปหาไฟนรกเผาเรานะพากันเชื่อธรรมแล้วสงบถึงจะอดจะอิ่มบ้างเป็นธรรมดาโลกอันนี้เป็นโลกอนิจจงมีความทุกข์ความจนความมั่งความมีเป็นการเป็นเวลาเป็นครั้งเป็นคราวเหมือนกันทั่วโลก ยังไงก็ขอให้ทามีในใจเป็นตายด้วยกันเชื่อถือกันได้ฝากเป็นฝากตายต่อกันได้จงรักพักดีซื่อสัตย์สุจริตต่อกันนี้อบอุ่นที่สุดถึงจะจนก็จนด้วยกันเป็นด้วยกันตายด้วยกันไม่เป็นไรอันนี้ไม่มีไฟมาเผาไฟข้างนอกไม่มาเผา อยู่ได้ดีไม่ดีเศรษฐีสู้ไม่ได้เศรษฐีสิบเมียสู้ไม่ได้ไม่ต้องบอกเพียงสองเมียเท่านั้นก็สู้ไม่ได้แล้วอย่าว่าแต่สิบเมียสู้ผัวเดียวเมียเดียวไม่ได้ทำพระพุทธเจ้าเลิศขนาดไหนสอนไว้ให้อยู่ในขอบเขตแห่งความพอดีนี้คือความพอดีอย่าหามาเผากัน